ทุกทุกทางอย่าทำความเคยกินกับเทศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์ เพื่อนฝูงก็จายประกังถึงปัจจัยสี่อวอนบินทบาทเซนาสนะทิลามาเพสว์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด ความเคยกินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแหงวิเลตก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยคินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพีย และด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังสาระของพวกเราพุทธทาง สังคังแท่นังคฉ า, ามินี้คือท่านผู้ดัดแปลงมาเป็นทติกําลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าอยากรางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้นล้วนว น, นี่คือองค์สณะของพวกเราล ทำเป็นเครื่องหล่อล้อมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลําดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของบุกศิษ์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดี เป็นุบาศกคือผู้ชายกีเป็นุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีเร่องอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยคันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนาธรรม เ, เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะสึกออกไปเป็นคารวาส โดยความจําเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจํานวนมากต่อมาก โลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความแค่เลความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเหมือนถอเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดมมาแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจาก ปนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นมากของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสําเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสําเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสร้างรวมระหว่าง ระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทงความประพฤติการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสาคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้จะมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของ คนที่ไม่เคยอกปลเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กําหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือ น, นอนอยู่เว้นแต่ลับ เท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตอนอยู่เสมอนี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลําดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดําเนินไม่มีการดําเนินก็คือความสังรวมระหว่างความชำการชำละซักฟอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นค่าสึก ต่อธรรมคำว่าเป็นค่าศึกต่อธรรมก็คือเป็นค่าสึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าค่าศึกและคาว่าค่าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดสแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกของสาสนาธรรมได้แก่กิเลสสามานท่านั้นคาว่ามารคือ ผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมันนั้นได้จะจิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังความจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นไฟที่สิ่งนั้นต้องการ แต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ทําต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อทำแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อทำนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสสมานมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสสมานนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิต ไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุ น, นี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้น จะยกหรือยื่นภาณะหรยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกําลังเห็นมารที่แสดงออกแต่ละครั้งใะครั้งภาณิกและทับถมลงไปภาณิกให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเหล่านั้น จึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทามนักบวชจำเป็นต้องได้สลักออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปได้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวช ขณะทั้งบ้านทั้งเดือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนซึ่งโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกัน ก, กันแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมานภาในจิตใจของแต่ละดวงระดวงที่แสดงออกมาตรงกัน เพราะเป็นปกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารั ก, น, รกน่าชอบใจไม่ควรที่จะพัดพลาดจากไปเพราะทําให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทึกก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ําทําลายให้เกิดความทุกข์ความลำบัก ด, ดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพนุโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมนี่เรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว เสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแบวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดท่าไทยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวช และตั้งแต่บัตรนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจ ย, ยังจำจะต้องห่วงใหญ่เป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเลาะยอกนอกจากจะเป็นการรักษาาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลส เมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวชยิเรศจึงไม่ยอมบวช ด, ด้วยยิเรศจึงทำให้เกิดความห่วงใ่ในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวชต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมานในพระไถยถึงขั้นสลกสไลดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำหนักําลา เฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทมต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทมเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทมของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำธรรมาโลกก็หมายถึงกิเลส ซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นค่าศึกต่อธรรมตลอดมายิงเป็นของยากข้อนลงบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจ้องเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดทะบ้นไปได้อย่างง่ายได้เลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสสมานหมด รียบรารภภายในทศไทยแล้วความประเสริฐของดวงกิจของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกรมกืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุวันนี้แล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไป นันนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งทำตลอดมา แต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือทัรโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทําได้ดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทําได้ โลกทั้งมวลที่มีการทัดค้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสังสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวดืวัอไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบกรงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วย ไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิ่อตประสริฐภายในพระไทยคลองทำมวี ม, มุหมดหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระไทยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนําสั่งสอนสัตโลกได้มากมายกายคลองและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้ นี่ทาเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมียกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกของ่านที่นี่เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วภูติเป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤชปฏิบัติ สิ่งที่โรครักชอบสงวนทมต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วยใยเป็นกิเลสความสางวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งหมดเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมด เร่ต้องในตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการถวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฝืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทํามาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมานภายในจิตใจ ในขณะที่มันมีกําลังมากกว่าเราเราต้องทุกมากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลําดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอํานาจแห่งความเพียรเป็นภาพเป็นผู้พาให้ทุกนั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลําดับคือตัดที่เลสขาดไปได้โดยลําดับลําดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิ เป็นตัวจริงขึ้นมาภาณจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากค่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยเฉยโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอํานาจแห่งความพยายามความฝากฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทําให้วุ่นวายทําให้สายแสทําให้พุ่งเฟอเหอดเหือนจนสิ่งอย่างนั้นระ ง, งับดับตัวลงไป กายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวญตามที่ตนสละออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังาศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักาศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่าง ปายเหตุคืออย่างไรศรัท ธ, ธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนกะยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็ยนใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่ เคยรู้เคยเห็นนั่นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ด้ปรากฏเป็นสัพขีพยานได้ว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนาธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเจตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุน ที่ยุดยืมเข้ามาก็กลายเป็นกําไรขึ้นมาภายในตัวกําไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปตุวลาดับลําดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวโดวยหากําไรไม่ได้และยังขาดทุนปนปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกําไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้ หยิดมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏพ้าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวัต่างๆรอบตัวนี้ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้ใจใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้าแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้าแข็งเท่านั้น ตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆ ร, ร้อนไปหมดเพราใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่ชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไหร่ใจยิ่งมีความระบบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับนี่ผลแห่งการฝึกฝนอบรม ทรมานตนเองด้วยอดด้วยทาซึ่งเป็นการต่อสู้กับที่เลสฌามานที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกงา น, นุงสารเราก็าพากันไปทํามาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้ งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรงเป็นเวลานานๆเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเพราะความเชื่อมั่นในอัดในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจ ยิงต้องตะเกียกตะกายกันไปทนก็พอทนอดทออดเพียนก็พอเพียนถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียนนั่นแหละตอนนี้ก่อนหนักแล้วการต่อสู้กับาากิเลสภายในจิตใจฟาดเวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขนาดหนึ่งคณาดเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆ ถือกิเลสเป็นตัวสําคัญคือค่าศึกมีมากมีน้อยค่าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลําตับการต่อสู้ก็ละเอียดตามตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดตามตามกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่ยี่ เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรับสารงานหรือทำงานอยู่นั้นแล้วไม่เรียกว่าความเปลี่ยนมีจรงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยไถ่เดียว คือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาเพียรของเราให้ทําการฆ่ากิเลสได้โยกอย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้ว ตามธรรมน า, าร่างกายนี้เมื่อมีกําลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสให้มีกําลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจที่คลานก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยรบทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานลรงมากประดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหาร ร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มทาดเต็มขันอิมหมีผีหมัดอย่างนั้น เนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่หาไม่ใช่เป็นการแก้ที่เหลเดยดโดยจบในพระวินัยท่านก็กล่าววันบุพพสิกขามนี่จะนำมาพูดอธิบายันคำเพี่ยนย่อๆว่าผู้ที่อดอาหารเพื่อการโฆษณาบทเนื้ออวดตัวอวดภูมิของตอนนั้นปราบอมัตทุกกฎทุกอิรยาบทความเคลื่อนไหว ถ้าอดเพื่อโอ้อเพื่ออวดโคตนาโลกเขาอันเป็นแบบโลกโลกเห็นนั้นปราบอบัตทุกอาการที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าอดเพื่อความภาคเพียนเพื่ออัดเพื่อทาแล้วอดเถิดเราจะถาคตอนุญาตนั่นมีในพระวินอย่างนั้นแต่การทำแต่และประเภทอุบายวิธีแต่และอย่างมาอย่างนั้นขึ้นอยู่กับจดียนิสัยด้วย บางรายเดินนานได้ผลดีทั้งที่ความเพียรคือสติก็จดจ่ออยู่เช่นเดียวกันบางรายนั่งดีกว่าเดินบางรายผ่อนอาหารดีกว่าบางรายอดอาหารดีอย่างนี้ก็ต้องหมุนไปตามการเห็นผลดีของตอนเองว่า นายใดที่ดีในอุบายวิธีการใดก็ต้องหนักไปตามอุบายวิธีการนั้นให้เหมาะกับจริตของตนไม่ใช่จะทําแบบซุ่มแบบดาวเห็นใครทำก็ทําได้ผลไม่ได้ผลก็ทําอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเป็นความผึกจากหลักธรรมคือความฉลาดขาดความสังเก ต, ตเห็นเพื่อนฝูงทําก็ทําลื้เฉยไม่เกิดประโยชน์ เรียกว่าตะกิรามฐทธานโยกทําความลําบากแก่ตนเ ป, เปล่าก็ถูกทั้งๆที่เราไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็าตามมันก็ถูกโดยหลักธรรมชาติทั้งมันนั่นแหละมีการแก้การถอดถอนกิเลสออกจากใจจึงเป็นความยากความลําบากเพราะสิ่งนี้มีรากแก้วฝังลึกมาตั้งแต่กับไหนกันใดไม่ทราบต้นสายตายเกิดของและตายของตัวเองซึ่งเป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วภายใน จ, ใจิตใจ อันเป็นตัวสําคัญเนื่องจากเชื้อพาให้เกิดดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมว่าอวิชชาปจิยาสร้างข้าราเป็นต้นนี่น่ะเชื้ออันสําคัญฝังจมอยู่ภายในจิตพาให้จิตต้องหมุนไปตามพบน้อยพบใหญ่การที่จะไปในพบน้อยพบใหญส่สูงๆงต่างํา่ลุ่มลุ่มดอนดอนนั้น <c oughs> ก็เป็นออกมาจากวิบากซึ่ง สืบเนื่องมาจากที่เหลียดพาให้ทํากรรมดีชั่วต่างๆเมื่อทํากรรมแล้วผลย่อมเป็นดีเป็นชั่วไปตามกรรมวนั้นการเกิดสภาพความเป็นอยู่รูปร่างกลางตัวของแต่ละภพประชาติแต่ละสัตว์แต่ะบุคคล น, นั้นจึงไม่เหมือนกันแต่เกิดเหมือนกันเกิดเป็นสัตว์สัตว์ประเภทใดก็ได้ สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเป็นมนุษย์เทวดาดผู้ปีอะไรก็แล้วแต่มีเกิดอยู่เช่นนั้นมีตาอยู่ทานองนั้นถพาเกิดกับตายเป็นคู่กันหากจะมีอายุยืนยาวกว่ากันบ้างก็ไม่พ้นความมาเกิดแล้วต้องตายนี่คือผลที่เป็นวิบาสสรุปความั้งแล้ ว, ลวเป็นแต่เรื่องเกิดเรื่องตาย ของจิตที่เป็นนักท่องเที่ยวเพราะอาํานาจแห่งอวิชชาปัญญ า, าพามหนุนตัวให้เป็นไปและวิบากกรรมพาให้เป็นไปในสู ง, ส, งสูงต่ําๆเหมือนดอนด้วยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรานับต้นนับตายที่ไหนได้ดทั้งที่เรานี้เป็นนักเกิดนักตายอยู่แล้วเต็มตัวโดยกันไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันได้เลยเพราะนับไม่ได้จะเอามาวัดมาตวงกันได้ยังไงแล้วการท่องเที่ยว เกิดแฉกเจ็บตายนี้ก็คือกองจับหมุนอยู่ภายในพบในธาตุหมุนดยูมาจากกิจจ์จะหาความสุขความปล่อยวางความสะดวกสบายหน้าที่ตรงไหนเมื่อกิเลสได้หมุนตัวอยู่เช่นนั้นภายในใจเอาอะไรมาเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายทั้งๆัที่ต่างคนก็ต่างตัวก็มุ่งต่อความสุขความจเจริญความสบาย แล้วมีใครสมหวังบ้างเราเห็นมาเกิดมาทุกคนทุกรายเต็มไปด้วยความมุ่งความหวังความสุขความเจริญด้วยกันทั้งนั้นแต่ความหวังไม่ปรากฏ ต, ตามใจที่หวังนั่นเลยเพราะกิเลสจะทำให้คนสมหวังได้สมหวังได้อย่างไรนอกจากมันทำลายความความหวังของคนเท่านั้น แต่ความหวังก็เป็นเรื่องของกิเลสความไม่สมหวังก็คือเรื่องของกิเลสมันสลับซับซ้อนอยู่ภายในนั่นแหละหากแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจพราะภูมิของเรากับภูมิของกิเลสนั้นต่างกันมากราฟ้ากับดินคนหนึ่ ง, งโง่ชะมัดสิ่งหนึ่งนั้นฉลาดแหลมคมชะมัดเข้ากันได้อย่างไร ใจิตใจของเราเมื่อถูกกิเลสตัวฉลาดแห ล, แหลมคมครอบแล้วโง่ชมัดใสยให้ไปเกิดที่ไหนไปได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นทุกได้ทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุนี้มาจากไหนจึงเหมือนกับหลับตาไปหลับตาไปเกิดหลับตาไปอยู่หลับตาทนทุกข์ทรมานสเสวยกรรมต่างๆอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แม้มีในตาอยู่เช่นเดียวนี้ก็ตาง เพราะเป็นลักษณะลับตาเพราะอำนาจของกิเลสปิดไว้นั่นแหละแล้วมีใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มีใครเป็นคนสมหวังในโลกนี้มีใครเป็นคนคลองความสุขในโลกนี้มีใครเป็นคนมีอำนาจวาสนาเพราะอำนาจของกิเลสมีมากในหัวใจในโลกนี้มีมีใครมองไม่เห็นผู้ตามความจริงไม่มี กิเลสเป็นสิ่งที่ตัดรอนโดยฐานเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมสัดวโลกข้างไหนให้มีความถลุกความสบายเป็นลำดับลำดับจงกระทั่งถึงพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจของกิเลสนั้นไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับกิเลส จ, จึงเป็นคู่แข่งแย่งชิง น, นางงานจั ก, กรวาลคือจิตดวงนี้เรื่อยมา ส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยยอมแพ้กิเลสอย่างลาบเพราะไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรม่จะยอมแพ้โดยทายเดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาคน้นแร่แปรธาตุภายในธาตุในขันธ์ในโลกธาตุด้วยพระปรีชาญาณความสามารถของผมแล้วทมของจินที่เป็นคู่แข่งของกิเลส ซึ่งเป็นสิ่งจำปรมนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาพ่อเป็นเครื่องยึดเครื่องถือกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามได้เลยนี่เราจะเห็นความประเสริฐความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักธรรมะนักกีฬาเราไม่ยอมทอดกายทอดใจหรือมอบทั้งกายทั้งใจให้เกลยียดเสียทั้งมวลแล้วต้องเห็นความเด่นความประเสริฐของพระพุทธเจ้าตรงนี้เอง เรามีอะไรกับท่านท่านจึงได้ประทานพระโอวาตไว้ให้เราใน ผ, ผู้ปฏิบัติพอเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาตรู้คุณรู้โทษรู้นรกสวรรค์พรหมโลกและนิพพานด้วยความพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เราจรึงเห็นได้วบาพุทธิราชเป็นนักเสียสละไม่มีใครเสมอ สละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนมากก็คือศาสดาองค์เอกเนี่แหละประโยชน์ส่วนน้อยคือสละออกราชจากราชสมบัติเพราะมีเพียงบริษัทบริวารไฟฟ้าประชาชีในราชนาจาักรของพระองค์เพียงเท่านั้นจะมากมายอาะไรถ้าเราจะเทียบเป็นด้านวัตถุแล้วมันก็เหมือนน้าหยดหนึ่งในมหาสมุทรนั่นแหละมันมากไหมน้ําหยดเพียงหยดเดียว ในท้องมหาสมุทรกับน้ําในท้องมหาสมุทรนั้นอันไหนมากน้อยต่างกันการที่พระองค์ทําประโยชน์ให้แก่พระราชอาณาจักรของพระองค์นั้นจึงเหมือนกับ น, น้ําหยดเดียวการที่พระองค์ทาประโยชน์ให้แก่โลกสงสารด้วยการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนน้อยคือน้ําหยดเดียวนี้เพื่อประโยชน์ส่วนมากคือน้ําในมหาเท่าประโยชน์ในมากเหมือนมหามหาสมุทรทะเลนั้นก็คือทรงเป็นศาสตา สั่งสอนโลกทั้งสามการมาโลกรูประโลกรูปโลกรูปะโล ก, โลกนี่หละกว้างกนานหนานครอบโลกธาตุในโลกทั้งสามนี้แม่น้ำมหาสมุทรก็อยู่ในท่านภูมิของมนุษย์นี้แผ่นดินนี้นั้นยังครอบไปอีกมากมาย เทว ด, ดาสวรรค์ชั้นผมมีกี่ชั้นมากขนาดไหนได้น้ำเหนือน้ำเป็นภูมิทั้งนั้นพระองค์ครอบไม่หมดด้วยความเฉลียวฉลาดอัตธรรมสั่งสอนเทว ด, ดาเปรตผีมนุษย์ไม่สามารถพ่อตาบอดนอกจากนั้นยังเห่าอีกว่าหาอุธริซึ่งเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันเกินความเชื่อของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันก็จริง แต่ความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้านั่นเหนือโลกสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นโลกตาบอดเป็นในไหนไม่ใช่นนั้นไม่เป็นศาสดามของโลกได้นะเราตาบอดเราจะรบล้างสิ่งที่มีสิ่งที่พูดคนตาดีเห็นได้อย่างไรเราหูหนวกเราจะปฏิเสธเสียงสิ่งที่คนหูดีฟังได้ฟังรู้เรื่องกันได้อย่างไรนี่ยกตัวอย่างเพียงสองเท่านั้นก็ได้ความแล้วคนตาดีคนตาบอดเห็นความจริงต่างกันอย่างไรบ้าง รู้คำจริงต่างกันอย่างไรบ้างนี่คือเรื่องของศาสด า, ศ า, ศาได้นำทำมาสอนพวกเราไม่เช่านั้นเราไม่ทราบว่าศาสน า, า, าเป็นอย่างไงเมื่ตั้งแต่ให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายเหมือนเหมือนกาเหมือนเนื้อบนเขียงสับย่าแหลกละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวว่าถูกเมีดเขาสับเข้าย่าถูกเขาเอาไปรับทานทายไปที่ไหนก็ไม่รู้ เป็นมูดเป็นคูดไปก็ยังไม่รู้ถ้ามีแต่มอบให่จากกิเลสเป็นผู้สับผู้ย้าแค่ถ่ายเดียวนี่ยังมีทมเข้าแทกมีทำเข้าเป็นเครื่องคัดค้านทานมีทำเข้าเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งว่าสิ่งนี้กิเลสเห็นว่าถูกทำคือความจริงนั้นไม่ถูกน่ะค้านกันตรงนั้นเมื่อมีสองอย่างก็เป็นการก็เป็นเป็นคู่แข่งกันได้ ดีกับชั่วก็ปรากฏขึ้นมาได้จีนีสุขกับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาได้เป็นคู่แข่งกันได้โดยลําดับลําดาเพราะมีศาสนธรรมอันเป็นของจริงเป็นคู่แข่งกับเรื่องของกิเลสปัญหาอสุรเรื่องของสมมุติอันเป็นของตรรสมาธิธรรมที่ปรากฏเวลานี้ เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาถึงกับต้องสละเนื้อสละตัวออกมาบวชนี้เพราะผู้ใดเป็นต้นเหตุถ้าไม่ใช่เป็นพระภูติเจ้านะชาชาความเชื่อต่อบุญต่อบาปเราได้ความเชื่อนี้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วด้วยสวัสดิธรรมตรัสไม่ชอบอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นกิเลสทุกประเภทพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นภัยพวกเราที่เชื่อตามพระองค์ก็ต้องถือว่าเป็นภัยและต้องต่อสู้กันให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่ามาทอดถอนอ่ อ, อนแอทอแท้เหลีวไหลซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะหาทางออกไม่ได้ต้องเอาให้กินให้จางนักปฏิบัติหาชนะธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดมาไม่เคยล้าสมัยสมัยคือเรื่องของโลกธรรมนี้คือธรรมที่ทันสมัยล้ําสมัย ไม่ทันสมัยแม้ล้าสมัยปราบี่เลศไม่ได้เราจะจะเห็นว่าทำนี้ล้าสมัยได้ที่ไหนใครเป็นคนว่าศาสนาคือศาสนาล้าสมัยคนนั้นคือคนหมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเหลือแต่ร่างกระดูกกับความรู้สึกอยู่เท่านั้นถ้าจะเทียบกับคนไข้ก็เหมือนกับคนไข้ที่ไม่สนใจกับอยู่กับยากับหมออะเลยนอนคอยลมหายใจด้วยออกซิเจนอยู่ที่ห้องไอซียูเท่านั้นทานแต่นั้นก็ลง่อืม ถ้าเปิดเครื่องปกปิดออกก็แมลงวันตามหึงๆเท่านั้นคนเช่นนั้นหรือเป็นคนดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนล้าสมัยสาวกอรหันไม่ใช่คนล้าสมัยธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสลู้และสาวกทั้งหลายบรรลุมานั้นเป็นของประสรศิจะมาเป็นเรื่องล้าสมัยได้อย่างไรถ้าไม่ใช่คนนคนนั้นเหลือแต่ซากผีดิษ อยู่ภายในตัวเท่านั้นลมหายใจฟ อ, อ, อ, อ, อดๆอยูเพียงเท่านั้นไม่มีคุณค่าอันใดเลยนี่อันนี้เพราะอะไรมันถึงว่ า, าศาสนาล้าสมัยาศาสนาคือก็เพราะกิเลสท้าให้คือกิเลสท้าให้ล้าสมัยกิเลสปิดบังไม่เห็นความจริงเราันจึงเสกสรรในสิ่งที่จะทําลายตัวเองขึ้นมาเหยียบย่ำทําลายตัวเองด้วยมาสิ่งที่จะเป็นคุณค่าส่งเสริมตนให้เป็นคนดีนั่น มันยึดไม่ได้มันถือไม่ได้มันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปเสียคนประเภทนั่นก็เหมือนกับอคนที่อยู่ในห้องอายุยูเห็นทานเห็นฟืนนั้นล้านั่นทันสมยัยเท่านั้นเองเห็นหมอเห็นยาเป็นล้าสมัยไปหมดคนนั่นคือคนหมดคุณค่าหมดหนทางที่จะแก้ไขอยู่ยาแล้ ว, ลวมีทางเดียวที่จะลงสู่ศูนสู่ไฟมีเท่านั้น ผู้พิเศษมาจากอะไรไม่มาจากธรรมเอาตรงนี้เราเชื่อใครทุกวันนี้เชื่อเรายังเชื่อก็เชื่อไม่ได้เชื่อใครๆก็เป็นคนมีกิเลสตัณห า, าว่าเป็นคนที่มืดบอดถูกกิเลสครอบงําหัวใจอยู่ทุกทีเ จ, จ้าความถูกต้องในงามมาพูดให้เราฟังอย่างถูกต้องแม่นยําไ ด, ด้ดังที่สวดคารธรรมจัดไว้แล้วได้อย่างไนงเมื่อเราเป็นคนโง่เราต้องเชื่อคนฉลาดคือศาสตาอุ่งเอก ที่ทรงคนร้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้รู้ได้เห็นได้นำมาสั่งสอนไม่ใช่เป็นาศาสตาอุ่มดุ่นเดาเมื่อได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาสั่งสอนจะเป็นของตรอมได้อย่างไรผู้ที่ว่าศาสนาคือศาสนาล่าสมัยมันได้ค้นคว้าอะไรบ้างพอที่จะนำมาพิสูจน์มาเป็นข้อยืนยันให้เห็นชัดว่าศาสนาราสมัย เราคนเดียวนี่ฉะนั้นเป็นคนที่ทำสมัยได้ค้นคนว้าเรื่องของตนได้มากน้อยเพียงไจรจึงต้องกล้ามาพูดเช่นนั้นถ้าไม่ตั้งหน้าต่างตามาขายความเรียสามของตัวนี้ให้มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทั้งหลายได้ขยะผแยแยงและหัวเราะยกเป็นที่อินหาและอายัยเท่านั้นเอาที่ น, นี้ย่นเข้ามาคิริยาใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะทาเราให้เกิดความนอนก่ นั่นแหละเป็นสิ่งทีล้าสมัยให้ทราบนะความเพียรที่มีสติเท่านั้นเป็นความเพียรที่ทันสมัยล้ําสมัยล้ํากิเลสทันกิเลสย้อนเข้ามาตรงไหนนักปฏิบัติโอปัยิ่งน้อมเข้ามาให้รู้ตั้งภายนอกให้รู้ตั้งภายในเห็น ท, นนทนั้ทงภายนอกเห็นทั้ทงภายในแก้ได้ทั้งภายนอกแก้ได้ทั้งภายในจึงว่าชื่อว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดแหลมคบเอาให้ทันเวลานี้จะกิจรองของเรามันทันสมัยไหน หรือมันล้าสมัยมันล้าสมัยนั่นเองมันถึงหาความสงอบเยือกเกย็นไม่ได้อะไรพายล้าสมัยกิเลสมันลากไปให้ล้าสมัยท่านไ ม, ไม่ทําทําไม่ถ่านเพราะไม่ผิดขึ้นมาให้ถันกันไม่นมาําเอาไปปฏิบัติกิเลจะหลุดรอยไปได้ยังไงต้องเอาให้จริงให้จัิงนั่นะปฏิบตัติอย่าท้อถอยแน่อย่าเคยชินกับความเกิดแก่เสบตาอย่าเคยชินกับความเป็นมาอันเป็นเรื่องของกิเลตัตมม้งนึ่ง ให้มีความสนิทติดใจครับอัดกัดทำทุกก็ยอมทุกตายก็ยอมตายเป็นก็ยอมเป็นกรับสาธาสดาเถิดเราจะเห็นเห็นตัวของเราใจของเรามีคุณค่าขึ้นมาเป็นระดับหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยอ๋อคำว่ามีแดนหลุดพ้นหลุดพ้นที่ไหนพระพุทธเจา้าท่านหลุดพ้นที่ไหนสาวกท่านหลุดพ้นที่ไหนสถานที่นั่นเป็นสถานที่การนั้นเป็นการนั้นไม่ใช่เป็นที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้น กายดงเดียวนี้เป็นผู้ถูกตรองจำด้วยกิเลสทันหาเว่างแค่ต่างๆจนมืดดำไปหมดหามองหาดวงกิตแท้ล้วนๆทแท้ๆไม่มีเลยยึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนเตี้ยวเข้าไปตรงนั้ น, นกิตมีความสว่างสวัยขึ้นมานับแต่ขั้นเริ่มแรกแห่งความสงบพอเป็นต้นทุนแล้วอภิจรณาทางด้านปัญญาพี่ชายดูสิร่างกายนี้เปีกง่ายกิเลสมันจอมปลอมมัน เศษสรรบัญยอไว้ทั่วรอบรอบหมดในร่างกายทั้งภายนอกภายในเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกของเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังสาววัชเป็นเราเป็นของเรานี่คือเรื่องของจิเลตตัวจองตลองมันเศษสรรปั้นแต่งได้แล้วโกหกมนุษย์ที่โง่ๆอย่างพวกเรานี่ได้อย่างง่ายได้ที่สุดถ้าไม่เอาธรรมของจริงเข้าไป สอดส่งดูแลจะไม่เห็นความจําปลอมของกิเลสที่มันมาปักเสียบเอาไว้นี่หมดทั้งร่างกายเอาที่ปัญญาอย่างลงไปสิหนังมันบางๆเท่านั้นทําไมมันดูไม่ทะลุมันเต็มไปด้ยวยของปฏิกูลโสโครกทั้งภายนอกแหละภายนอกกับที่เหนือที่ไข่เต็มไปหมดแล้วภายในเป็นของปฏิกูลโสโครกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทําไมจงึงหน้าด้านเมาเป็นภามาเป็นของสวยของงาม น, น่ารักให่ชอบใจ ถ้าไม่ใช่พิเรศพาให้หน้าได้เราจะว่ามันพิเศษได้ยังไงก็เสกสรรของฟอม์มาปเป็นของจดีนของเน่าของเหม็นว่าเป็นของสวยของงามของหอมของน่าชมน่าดมนั่นเราโง่ไหมพวกเราพิจารณาที่ปัญญามีเอาให้เห็นความจริงเมื่อได้เห็นความจริงตามจัดตามส่วนของร่างกายทั้งภายในภายนอกแล้ว อุปทานให้มันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกก็เธอจะไม่พ้นจากการถอนตัวออกมาเพราะอาํานาจของปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไปได้เลยเอาให้กินนักปฏิบัติที่คอยดูมันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนงานนี้ไม่ใช่เป็นงานที่จะต้องทําเพียงคู่เดียวยามเดียวแล้วหยุดแต่ทําจนมันรู้มันเห็นไม่รู้ไม่เห็นเอาจนรู้จนเห็นพ้นไปไม่ได้พ้นความเพี่ยนไปไม่ได้พ้นสติปัญญาไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็รู้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนสาวองค์หลายก็เหมือนกัน เราจะรู้ด้วยอะไรทาไม่จะรู้ด้วย ส, สติปัญญาสัจชาวความเพียนรู้วดาความเสียดคานรู้กันไปได้หมดแล้วแหละถ้าหากว่าวัฏฏะทุกนีิหามันผ่านพ้นไปไม่ได้นอกจากความเพีย่ยนเอาให้เด็ดนักปฏิบัติศาสนาธรรมประกาศไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแม่นดําไปหมดไม่มีสงสัยแลย้วพอสงสั ย, ยก็คือว่ากําลังของเรา มีเพียงแค่ใดที่จะทําให้เป็นไปในอัดในธรรมของโมกขิเตชะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาก น, อกากน้อยยังไงขึ้นอยู่กับเราเอาให้จริงมากผลอิพานข้า้งนั้นกับครั้งนี้จะไม่มีมีอะรแตกกันถ้ากเกิดขึ้นที่จิตปรากฏขึ้นที่จิตเพราะนิเลสเครื่องหุ้มหมอบปิดบังอยู่ที่จิตเมื่อทกิเล ด, ดเปิดตัวออกหมดเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาทางความเปลี่ยนแล้วความสม่างกาะจ่างแจ้งความหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ต้องถามที่ไหนเด็ดถามทําไมท้นก็รู้ยุยู่อยู่ที่นี่แจ้งอยู่ที่นี่ เหนื่อยอะตัวนี้รู้สึกแล้ว